ข้อกาบคารวะหงพรอกลมท่านอาจารย์ทรงสิลท่านอาจารย์ตุ้มแล้วก็ข อ, อกาบจากเพื่อนสาธรรมิกแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนที่มาร่วมกันทมบัตในวันนี้ ไม่ทราบได้ยินชัดไหมเพราะว่าเสียงฝนตกหนักข้างหลังได้ยินชัดไหอวันนี้ก็มีพระบดใหม่อีกรูปหนึ่งถ้าที่ทราบ ก, ก็เป็นผู้ที่มีความ ตั้งใจนะที่จะมาอยู่ศึกษาปฏิบัติเดิมนั้นก็ <c oughs> คิดว่าจะกลับกรุงเทพแล้วนะตอนหลังก็ทราบข่าวว่าจะมีการอบรมเก็บอารมณ์เข้ม40วันนะก็เลยบวชก็หน้าอนุมโมทนานะในการที่ตัดสินใจมาบวช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 นะสิ่งที่ห ย, ยาบๆที่สุดก็คือความปวดความเมื่อยความง่วงเาหงาเขานอนความเบื่อความเซ็งความฟุ้งซ่านนะที่จะเกิดขึ้นพระฉะนั้นคนที่มาฝึกวิธีนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยจะมีอาการเบื่อเบื่อหรือบางทีก็ง่วงนอนซึ่งตรงจุดนี้ก็ทําให้หลายคนทอ้อนะท้อถอย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 รู้สึกกับกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะตื่นตัวขึ้นมันจะฉับไวขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปตามความคิดไปดูความคิดมันจะลื่นถลายไปเพราะกําลังของความรู้สึกตัวเรายังไม่ชัดนาะย น, นี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวกับผมเรียตทำมาเองมีประสบการณ์แล้วก็พบว่าถ้าเราไปใส่ใจกับความคิดก็ดี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 มีความเพียรนะที่จะมาทำในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจนะในในส่วนตัวรกระพุทธมรมาเองก็มีความมั่นใจว่าการที่เรามาเจริญสตนะิด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งนะที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตปล่อยวางสิ่ ง, งต่างๆได้และก็เข้าใจธรรมชาติ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 เมื่อมีภารกิจอื่นที่จำเป็นจะต้องช่วยเหลือนะก็ควรได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในส่วนของอวัดป่าสุกโตเองนะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ที่จะทำให้เราได้ทำประโยชน์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ประโยชน์ของส่วนรวมนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของการที่มาอยู่ป่าสุกโตนะแล้วก็เป็นการช่วย สร้างสรร์สังคมของป่าสุขกโตเนี่ยให้เป็นที่ที่เหมาะสมกับการที่เอื้ออำนวยให้ชีวิตทุกชีวิตเนี่ยได้มาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ธรรมชาตินะที่เป็นความเป็นปกตินะของใจที่เกิดขึ้นนะเพระาะฉะนั้นในส่วนของ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 ท่านอาจารย์ทรงศิลปนะ์หลวงพ่อกรมพระอาจารย์ตุ้มเนี่ยนะก็เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำพวกเราได้นะติดขัดอะไรนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันนะเราช่วยเหลือกันเราเห็นความสำคัญ ก, กับเรื่องพวกนี้แล้วก็พากันไปในทางที่เจริญนะให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตัวเราเอง แล้วก็ชุมชนที่เราอยู่นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ อ, อยากจะฝากเอาไว้นะก็คิดว่ า, าคงจะเป็นประโยชน์นะสำหรับการาพูดคุยในวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องนะก็อยากจะขอกับอรัธนากุูบาอาจารย์ทุกท่านได้ตักเตือนแนะนำ